ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบสามพฤศจิกายนสองพรอสิบเการายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปรทุมเป็นผู้ ด, ดำเนินรายการครับ เช่นเคยครับวันนี้เป็นวันตอบปัญหาสดครับโดยกับพัฒนาพระเดศพื้นพระเทศวิโลกวัดประบอลเวทวิหารเป็นวิคอนตอบปัญหาธรรมมาครับขอริ้นเชิญ น, นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้ามีสายแรกขอรอยู่พอดีเลยนะครับสวัสดีครับแันาการครับอยากขอรบกวนถามว่า เอที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าจะจะพูดเรื่องพระจอมเกล้ากับอ่อเรื่องศาสนานะคะต่อครับอยากให้ท่านช่วยเตือนมาบรรยายวันพุธมหาสุขอะไรนี้ก็ได้ค่ะอย่าอย่ารอฟังเรื่องนี้ใช่ไหมครับค่ะเกี่ยวกับสดมนเช้าสดมนเย็นอะไรที่ท่านแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับครับงั้นรับฟังทางวิทยุนะครับครับพระคุณค่ะ วันนี้ก็ไดครับวันอื่นก็ได้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวเดือน่านจะคุณอาจารย์จะตอบให้ฟังนะครับว่าจะบรรยายวันไหนนะครับอขอบพระคุณ<ช>มากครับพรุ่งก็เดี๋ยวก็จะจะบรรยายให้ครับเราคงจะเดี๋ยวตอนนี้มันเดือนอะไร <c oughs> เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาปลายปลายประมาณเดือนธ <นะ S 2> ันวาใชครับนนมันเดือนธันวาตอนตองกลางเดือนอะไรเนี่ใช่ได้ ใหญ่ก็ไฟล์รายการรอและฟังนะครับประมาณเดือนธันวานะครับท่านจุอาจารย์จะบรรยายเรื่องนี้นะครับซึ่งไฟลรายการสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับที่คุณอาจารย์ครับไฟรายการอยากจะทราบนะครับคําว่าสกลมหาสังขปริญายก็ไม่มีมานาอะไรอย่างแล้วก็ใช้คํานี้เพื่ออะไรครับท่คุณอาจารย์ครับ คือสกุลหาสังเกนายกจริงๆนะฮะมันเพิ่งใช้เมื่อสมัยส ม, ยสมเด็จพระมหาชมนาเจา้ากรมพิยาวิชัยนรถรถรถุรุตแสมัยโบราณเนี่ยคือคณะสงฆ์มันขึ้นอยู่กับกรมธรรมการครับกับสมเด็จพระสังฆราชสมัยก่อนถ้าเราเทียบมันก็แค่เจ้าคณะขนเจ้าคขนนะครับคือไม่ได้ปกครองทั้งหมดหรอกไม่ได้ปกครองสงฆ์ทั่วทั่วราชอาณาจักรครับ เพิ่งเกิดในสมัยการที่หกเองครับผมก็คำจริงๆก็ไม่นานนะไม่นะครับผมครับสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับครับผมสายตัดไปนะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับ022413315 022413315สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับ กณะที่เราลองลอบสายนะครับขอญอาตสดถามปัญหาช่านคุณจนครับเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติสงฆ์ครับท่าคุณจรครับธรรมดานี้ใครในการถามว่าเอ๊ะทำไมสงฆ์จะน่าจะเป็นคนร่างหรือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ร่างหรือเป็นอะไรพวกนี้ทำไมก็เราว่าดคือว่ากันตามความจริงคือพระศาสนาเนี่ยมันมาได้ถึงปศสองพัน สี่ร้อยสี่สิบห้าเนี่ยโดยไม่มีกฎหมายอะไรยุ่งเกี่ยวเลยคณะสงฆ์ก็มาได้แต่ว่าทีนี้ทางบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเขาก็ตื่นระบบการบริหารบ้านเมืองแผนใหม่เขา นะแล้วก็ปรับแล้วเขาก็มาปรับคณะสงฆ์ด้วยครับ แ, แล้วก็พอมาถึงสมัยจอมพลปอก็ปรับแบบข้าหาวิชาธิปไตย <c oughs> นะพอเจอสมัยจอมพลสิริก็ัปรับถลอยกลับเข้าไปในสมัยราชการที่ห้าใช่ไหมเวลานี้มันก็อยู่คล้ายๆก็เก่งๆในราชการที่ห<อ>้าตึงๆซึงงง่งที่จริงแล้วเนี่ยมาเองยังมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาโด้วยซ้ำไปในบาเรื่องเนี่ยครับ คืออย่าลืมว่ากฎหมายทั้งหลายที่เราปฏิบัติตามเนี่ยคุ้มครองอาบัติให้พระไม่ได้ถ้าหากว่ากฎหมายนั้นผิดวินัยครับนี่คือเรื่องใหญ่ซึ่งชาวบ้านไม่รู้เรื่องครับนะสมมติว่าเงินวัด น, นะฮะเงินวัดเนี่ยจะจ่ายเปในกิจการส่วนตัวไม่ได้เพราะเป็นของของสงฆ์ครับทีนี้เจ้าเจ้าวาดเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยกําหนดให้เป็นเจ้าพนักงานโดยตําแหน่งโอ้นะแล้วก็เป็นเจ้าของครับ คือถ้าท่านไปคิดว่าเงินวัดคือเงินท่า น, านเงินท่านคือเงินวัดและจ่ายเรื่องส่วนตัวนี่ยุ่งกันทีเ ย, ยุ่งเลยครับไอเ น, นี้ยคือคือคือสิ่งที่พระเองก็คงจะไม่ค่อยได้คิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นพระเพราะพระธรรมวินัยเราไม่ได้เป็นพระโกดเพราะพระจะบัญญัติเป็นพระเพราะพระธรรมวินัยครับถใจครับชัดเจนครับต้องต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาออกกฎหมายบังคับพระเนี่ยมันก็ ต้องรู้จักประมาณตัวครับคือคือคือหลบได้เป็นหลบเลยละ่ะครับหลบได้เป็นหลบถ้าหากว่าเป็นความประสงค์ของพระพระเป็นคณะบุคคลที่มีอยู่ประมาณสามแสนห้าเท่านั้นเองสไม่ใช่มากมายอะไรใช่ครับโดยพระธรรมบินายเนี่ยอามาเชื่อมนะั่น่ะมาเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พระราจำยากคณะสงฆ์ครับคื อ, ค, อคือจะสนใจตัวพระธรรมบินัยมากกว่าเพราะว่าพระธรรมบินัยมันครอบคลุมพระชจำยากคณะสงฆ์อยู่แล้วออ ถ้าเรายึดมั่นในพระธรรมมีนายเราก็ไม่ผิดพระอาชารย์ประหลัดคณะสงฆ์ครับกระผมกระผมขุนเจ้ากุญแจสาที่สองครับสวัสดีครับพระเดชังครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์อย่างนี้ครับคือผมเป็นคนฟุด แต่อยู่ในแวตรงยงสรามครับทีนี้เราจะไปใส่บาตรทุกเช้านั้นยากต้องขึ้นเราไปตลาดครับแต่ทีนี้เราก็จะไปตามวัดทําบ uh ุญโดยบริจาคค่าน้ำค่าไฟรวมรูมวัดโดยปฏิบัติของ้อนวัดทําบุธทุ่โสมอย่างนี้ครับถามว่าใส่บาตรตอนเช้าทุกเช้ากับทําบุญอย่างที่กล่าวมาแล้วอันไหนดีกว่ากันครับโอ้ครับผมรับฟังจากมุจยุทนะครับครับผมครับผมคือคือหลักการอย่างนี้นะฮะ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 เป็นการให้ปัญญาการให้ที่อยู่อาศัยชื่อให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเทียบถ้าถ้าคุณต้องการเทียบแล้วมันก็ดีกว่าตักบาทอ่ะที่ทีคุณทำทั้งหมดมันก็ดีกว่าตักบาทครับเพราะว่ามีผลมีนิสงมากกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์กว้างขวางมากกว่าครับผมครับขอบคุณครับเที่คุณจะแจ้งข่าสายที่สามครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับครับผมขอเรียนถามสักนิดนึงว่าการสวดมนเนี่ยนะครับ เราเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับครับที่ผมที่ผมตรวจมนอยู่ก็คือต้องขึ้นบุญาพรัตนาไส่เนี่ยนะครับอ๋ครับผมแล้วก็ขึ้นอรหังนะครับครับแล้วก็ขึ้นลาโมนะครับครับยาบุ๋มก็ขึ้น พีพีโถวาหุงมหาตาอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับผมสวดหมายถึงว่าสวดก่อนนอนหรือสวดตอนทำทำสวดทุกเย็นหรือว่าไงครับสพื่ก่อนนอนอ๋อก่อนนอนนะครับงั้นเราฟังทางวิทยุนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับก็ที่จริงเรื่องอะไรก่อนก็ได้นะฮะการทั้งหมดสวดมนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นการสรนเซินขุณปรัตนไตรัยครับ นะแล้วก็เป็นการอธิบายขยายธรรมะ <c oughs> อย่างที่โยมบอกก็ถูกต้องนะฮะ <c oughs> มันสวดในเชิงที่เป็นสิริมงคล <c oughs> เป็นการบูชานะเน้นไปในทางบูชาก็ส่วนลำดับตามปกติเราจะขึ้นนโมหรืออรหังก่อนก็ได้ก็สลับกันตามปกติแล้วก็ขึ้นได้ทั้งสองอย่างท <c oughs> <c oughs> ีนี้ ถ้าทำวัดเช้าเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอารหังก่อนครับอารหังสวัสดิโตสุปฏิปันโนนะโมอิติปิโสสวาสดิโตสุปฏิปันโนแล้วก็ขึ้นไปอืมนะโยนจะขึ้นอะไรก็ได้ขึ้นไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรประกำสอนพุทธเจ้าด้วยกันครับผมผ่าครับขอบคุณครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับครับน้ำตการพระเดชทุกคุณท่านครับสอบถามได้เลยครับถามข้อหนึ่งนะครับว่าไสยศาสตร์มนต์ดำนี่มีจริงจรังไครับแล้วก็ข้อสอง อริยมรตอริยมรตมีองค์กับมรตแตกต่างกันอย่างไรครับครับผมพครับครับผมรับฟังทางพี่ยุนะครับขอบคุณมากครับครับผมศยาศาสตร์มนดำมีที่มีนี่คือคศยาศาสตร์เนี่ยสยะเปลวหลับเปโวลนอนครับผมพลศาสตร์ในลักษณะนี้มันเกี่ยวกับ ตันหาอุปาทานของมนุษย์นะฮะคือตราบใดที่มนุษย์ยังมีตันหาอุปาทานอยู่แล้วมันก็แก้ไขได้ยากฮะมันก็มีด้วยพลังความเชื่อของมนุษย์ในระดับหนึ่งคือตราบใดมนุษย์ไปเชื่อเหล่านี้ก็จะยึดมั่นถือมั่นในลักษณะนั้นพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมันก็จะไปยึดโยงอยู่กับศยศาสตร์ที่ตัวเองนับถือครับแต่ทีนี้ถ้าคนไม่รับรู้อะไรมันมันมันก็ดีไปนะฮะครับแต่ว่า เราอยู่ในสังคมก็มอย่าไปขัดคอเขาเ ก, กันทีนี้อริยมรรคโยงแปดเนี่ยมันเป็นการเรียกที่สมบูรณ์มรรคแปดถึงก็เรียกโดยภาษาพูดภาษาปากครับข้อความเหมือนกันนะนะฮะหมายถึงอริยมรรคโยงแปดประการด้วยกันคือเริ่มงทีสัมมาทิฏฐิคือพูดไปง่ายๆว่าปัญญาศีลสมาธิตันเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิครับก็เป็นบทคําสอนโดยสรุป ที่ต้องปฏิบัติในพุทธศาสนาครับผมคือสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญานะฮะสรุปศีลสมาธิปัญญาพวกเดียวกันนั่นนะครับผมอ่าวขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสาหนึ่งห้าะครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับธนาคารครับประนธาคารสองข้อเลยครับเชอร์เลยครับ ทำบุญวัพระทำบุญวันธรรมนาแล้บุญเท่ากันหรือเปล่าครับครับผมที่สองพระศัพทเส็นไรเป็นบัรดหรือเปล่าครับครับผมเราฟังทางพิจิตนะครับครับผมทำบุญวันพระกับสมบูรณ์ธรรมดาพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเจตนานะอยู่ที่วัตถุอยู่ที่คนรับด้วยครับอยูหมายความว่าอยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่วัตถุที่เราบริจาคและก็อยู่กับที่คุณธรรมของผู้ของผู้รับครับครับ ซึ่งวันไม่ได้เกี่ยวนะฮะวันไม่ได้เกี่ยววันไหนก็ได้ครับมเอส่วนพระตัดต้นไม้เนี่ปรับประบัติประยิตินะฮะตัดไปได้เด็ดใบเดียวยังไม่ได้เลยเด็ดใบไม้ขาดไปใบเดียวก็เท่ากระตุบยุงตายตัวหนึงนะ่งฮะครับผม <laughs> ก็ปรับประบติประยิติอ่า <laughs> ปอนคือว่าบางทีโยมเนี่ยไปเอ๊ะทําไมพระไม่ถังไม่ถังหญ้าจะบ้างปล่อยรกมันถังไม่ได้ครับวินัยก็ห้ามไว้ ครับขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับนะครับผมสายต่อไปสายที่เก้าครับสวัสดีครับครับผมครับสอบถามได้เลยครับคือครับผมเอออยากทราบว่าการที่เราบูชาพระเคลื่อนก่อไปหนังสืออะไรต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยแล้วก็ที่ในบูชาที่เขาบอกว่าเออ เอาไปสร้า ง, บ, างาาบูชาสร้างวิหารนี่เราเคบูชานี่เราเราบาปไหมครับอ๋อหมายถึงว่าเช่ามาบูชาใช่ไหมครับครับผมครับผมครับเรัฟังทางพูดยนันะครับครับผมครับผมมันมันไม่มันไม่ได้บาปอะไรตรงไหนเนี่ยนะ <c oughs> คื อ, ค อ, คอที่จริงๆแล้วเราเจตนาเราก็คือต้องการที่จะ เอาเงินซึ่งได้จากการเช่าเนี่ยไปสร้างรสถานที่เหล่านั้นแล้วก็แม้แต่ตัวพระพุทธรูปเองก็เป็นปฏิมานะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เราระลึกลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็เจริญพุทธานตีมานั่งวางข้างหน้าแล้วก็เพ่งมองเจริญพุทธา น, นตีสวดติปิโสไปมันก็เป็นบุญ เ, เป็นกุศลนะฮะบุญเป็นกุศลเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นเรอยู่ระดับหนึ่งครับ ซึ่งแน่นอนนะถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่ต้องอาศัยพระเครื่องหรอกแต่ว่าสาหรับอย่างที่เคยบอกนะฮะว่าสังคมเราก็ยังมีเยาวชนอยู่ยังมีผู้ยังมีเป็นเด็กอยู่ครับเป็ต้องการระดับขวัญกาลังใจยังมีอยู่ครับแล้วก็กิจกรรมเราเรานี้ส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นกิจกรรมที่นำไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมที่เป็นส่วนรวมรแต่ก็ บวกหลอกหลอกวมรก็มีนะครับก็ต้งสมัยขอบคุณจี่คอยจ่ายครับสายที่สิบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากถามประเดชพระคุณท่านประเทศดีหรอกว่าอศาสนาที่มาเผยแต่ในส่วนตภูมีพระโสนะครับอุตละผมอยากทราบว่าสามองค์คือใครผมไม่เห็นใครเคยบรรยายสักทีนึงครับครับผมครับจ่ายอย่าลังเลแตงยนะครับขอบคุณมากครับ คือประวัติศาสตร์เนี่ยวิธีเรียงประวัติศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยนะคือเรานึกถึงว่ารัชสมัยเช่นสมัยพอ่อคุณรามกําแหงก็พูดแต่เรื่องพอรอคุณรามคำแหง น, นั่นเอครับคือจะไม่พูดถึงคนอื่นเพราะงาั้นพระที่มาเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่าอย่างน้อยหกเจ็ดรูปเพราะต้องเผื่อตายด้วยนะเผื่อตายด้วยแล้วก็เผื่ อ, อท่านมีปัญหาอะไรแต่ไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับมาต้องมาเป็นทีนะเพราะมาเพื่อจะบวชนาคได้ S <S รพระโสนารูตระท่านก็บวชคนตั้งเป็นร้อยๆนะฮะแล้วก็บวชแม่ชีอะไรด้วยแต่ว่าท่านก็บอกชื่อไวแ้แค่แสองรูปแต่นั้นเองไม่มีไม่มีชื่อปรากฏชื่อชื่อชื่อชื่อที่ปรากฏอยู่สี่รูปห้ารูปที่ลังกาครับนะแต่ว่าเวลาเขาพูดอย่างๆก็พูดเฉพาะพระมห็นเหมือนกันอืเพียงแต่ว่ามันมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ของลังกาครับ เขาก็บอกไว้ซึ่งเราเร า, เรารู้สึกว่าก็น่าจะมากกว่านั้นนหละไม่น่าจะเท่านั้นครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยพระจะสมมุติว่าไปเพื่อจะอุปสมบทเขาด้วยไปห้ารูปแล้วถ้าเกิดเป็นลมตายจะรูปมันทําไงก็ต้องเผื่อนะฮะก็ต้องเสือนะ <c oughs> ่ อ, อ <c oughs> จํานวนต้องเกินไว้ครับไม่ไม่เสี่ยงเกินไปชื่อชื่อไม่ไม่จําเป็นนะฮะคือคื อ, ค, อคือหมายความว่าเราก็โดยการนําของพระโสณาปุระระ ก็พระทีระทั้งหลายกี่รูปวันเราก็ไม่รู้หรอกครับผมขอบคุณครับกดจากสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟร็กันครับสวัสดีครับสอบถามปัญหาได้เลยนะครับเพอดีฟังเคินไปนะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับครับผมสายต่อไปสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสอบถามปัญหาได้เลยครับเอให้บริษัทซูชันเออแจงคำว่าเนยยะธรรมครับครับรบกวนขอพูดดังๆนิดหนึ่งนะครับถ้าผมอยากจะทราบเอ่อบริษัุคนนี้ชี้แจงขยายคำว่าเนยยะธรรมเนยยะธรรมห้าประการสักครั้งเนยยะธรรมห้าประการเหรครับครับผมครับผมแล้วฟั่งทางวิทยุนะครับสวัสดีครับเนยยะธรรม ผนเลยจะทำห้ประการนี้เขาจะตัดใจครับเดี๋ยวนึกนึกไม่ออกไม่ทราบหมายความว่าไงครับผมเขาเจะมเรียกชื่อมาไม่ไม่ตรงค่ะครับผมยังไงโทรศัพท์ก็ใหม่ๆนะครับครับผมพอดีมันมันมันคงจะเป็นเกี่ยวกับอันนั้นนะคือชีวิตโรคความตาย Finished. สถานที่ตายแล้วก็ตายไว้ได้ไปเกิดที่ไหนเนี่ยคอทาอย่างนี่คงคงจะหมายถึงอันนี้เนยสูตรฮะอยู่อยู่อยู่นยสูตรอุปนัยเนยสูตรอุปนัยเนยสูตรรผมระผมเป็นเี่จริงมันอยู่ที่อัตถิฐานนี่ครับผมขอบคุณครับศูนย์สองสองสีหนึ่งสามสามนะครับสดสามปัญหาจะมาเข้ามาได้นะครับ ท่านคุณจารย์ครับแฟนรายการสอบถามมาอยากให้ท่านคุณจารย์อ่ะคนที่สายเข้ามาก่อนนะครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเออขอทราบคําว่าสวรภูมิสมัยพพุทธองค์อยู่ในปีวันนี้อยู่กันไหนคครับําคําว่าอะไรนะครับสวรภูมิสุวรรณภูมิสวรภูมิสมัยพพุทธองค์นะครับครับครับผมรับฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ คือสุวรรณภูมิโดยหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะมันตั้งข้าวมาตั้งแต่เมืองสะเทิมที่พม่าเน่ยแล้วก็อ้อมลงช่องแคบมาลาการครับช่องแมาลการแล้วข้ามาอ่าวไทยนะฮะข้าวมาอ่าวไทยไปออกที่อาวตังเกียนะฮะไปจบที่โน้นเลยแหลมยวนอะไร อ, อะไรติดหมดนะฮะติดดินแดนสุวรรณภูมิคือมันเกิดมาทางด้านยุโรปเนี่ยเขาไม่ต้องโยมโรมันนะนะไม่ต้องการให้ทองคำออก ขอแต่ประเทศเพราะฉะนพวกอินเดียเลยไปแสวงหาทองคําในดินแดนแถบนี้แต่ทีนี้มันก็มีทองด้วยกันะเลยก็เรียกว่าส่วนน้ําภูมอของเราเห็นไหมสุพันบุรีการชนะบุรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ทองนะครับเป็นทองนนะครับอูทองอ่างทองอะไรต่างๆพื้นที่กว้างนะแล้วก็เรา คือไปไปไปเจาะจงเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ยึดถือว่าเขาถูกต้องเขาก็เป็นส่วนของภูมิครอบมันเลยเลยใหญ่ใหญ่มากครับครับก็คนชัดทุกคนใหญ่ใหญ่ครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับครับผมครับผมไปขอถามหลวงพ่อนิดนึงครับครับรบกวนผู้ดังดังนิดหนึงนะครับอ่ะ ผมจะขอถามหลวงพ่อข้อหนึ่งนะครับที่ผมฟังวิทยุสถานีสถานีนึ่งนะครับก่อนการนี้นะครับก็ท่านจะเน้นในเรื่องว่าขณะที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถได้กระทบสัมผัสเนี่นะฮะมันเป็นวิปากคือเป็นผลของกรรมที่ทํามาแล้วตั้งแต่แสนกดกรรมนี่ฮะแล้วแต่กรรมไหนจะสุกงอมพร้อมจะให้ผลก็เป็นเป็นกรรมนั้นนะครับแต่ผมก็สงสัยว่ามีอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่า ขณะที่เ อ, อมนุษย์ได้ขอขอเสียงดังอีกนิดหนึงนะครับขอเสียงได้นี้นะครับขณะที่เราได้รับเวทนาเนี่ยนะ บ, บางทีก็เป็นผลของกรรมด้วยเป็นผลของอ่าหลายๆอย่างฮนะไม่ใช่กรรมอย่างเดียวนะครับอยากให้หลวงพ่ออธิบายนิดนึ่งครับว่าสูตรที่เน้นว่าเป็นวิปากอย่างเดียวกับเป็นผลของกรรมอย่าง ยืมชวยแต่คนที่หัวบ้างอะไรบ้างหรอเนี้ยฮะอเขาถามหลวงพ่อถึงว่ามันเที่ยวให้กันะคับครับผมรับฟังทางพิธนะครับครับขอบคุณมากครับคือแนวเขาพูดเนี่ยเขาพูดแนวของอริธรรมใช่ไหมฮะเอามาความว่าอริธรรมเขาเรียกไปเป็นกิเลสกรรมวิบากนะพวกนามารูปสลายยานะผัสะเวทนานะเออพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวิบากครับ ต่อพูดออกโออกอากาศในยาดโยมก็ไม่เข้าใจเรามันมีเหตุปัจจัยต่างๆเยอะองค์ประกอบเยอะตีกว่าจะเกิดเป็นเป็นเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเช่นสมมติเนี่ยเอาเอาได้ยินเสียงเนี่ยหนึ่งประสาทหูเราต้องดีสองคลื่นเสียงต้องมากระทบที่ประสาทหูนะสามเราต้องสนใจที่จะฟัง ะทีนี้ถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมามันไม่มีขึ้นเสียงเนี่ยหรือมอีมีแต่ไม่กระทบหูหรือว่ามีแต่ว่าหูเราไม่มีประสิทธิภาพพออย่างคลื่นเสียงทางวิทยุเห็นไหมหูเรารไม่ได้ยินส <ไป S 1> นะูเรารับไม่ได้มันองค์ประกอบเป็นเยอะคือ เขาคงสอนอภิธรรมที่ในชั้นเรียนนะนะ<อ>สอนอภิธรมในชั้นเรียนแล้วก็พอเอามาออกอากาศบางทีมันก็ยุ่งงงคือจริงจริงมันสอนในชั้นเรียนนะก็ถูกต้องครับเอามาพูดอย่นั้นมันก็มันขัดแย้งกันนะฮะครับคือเวทนาเนี่ยจริงมันก็เกิดได้เยอะตรงเนี้ยสัมสัมผัสเวทนานะฮะเวทนามันจะเกิดเป็นสถานที่เกิดเป็นเยอะ ที่พระเวเจ้าทรงแสดงมาในมหาสิิประฐานสูตแสดงว่ทั้งสมจุดครับทีนี้คืออย่าลืมว่าการใช้กคมวิบากในภาษาบิธรรมในแป๊บเดียวก็เป็นวิบากแล้วโอครับจะแป๊บเดียวก็เป็นวิบากแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเอามาพูดในที่ทั่วไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยามาก็เคยเตือนอาจารย์อภิธรรมบอกว่าคือพูดคุณพูดได้แต่จริงๆสติคุณระลึกถานหรือเปล่า เมื่อยังคุณระลึกไม่ทันเนี่ยอย่าไปพูดแต่มันเกิดความสับสนเลยเอาว่าที่คนทําได้ก่อนเถอะครับเอาเต็มทําได้ก่อนเนี่ยมันยากเกินไปครับพูดต้องการมันเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่คือการตอบปัญหาเนี่ยเราต้องการให้เขารู้อะไรครับเราไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเรารู้อะไรแต่เราต้องการให้คนถามเนี่ยรู้อะไร ไม่ใช่าเขารู้ว่าเรารู้อะไรนะครับได้ขอบคุณที่รู้แจครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับอ๋อครับผมอ๋อลูกคนพระเดชะคุลนะครับมรณสการ์ครับท่านครับครับอยากจะถามพระเดชะกุลว่าอลูกนี้มิตลูกที่เก้านะครับในบูะครับที่จริงอ่ะแปดลูกมันเป็นรอบใช่ไหมครับและลูกที่เก้านะมีความหมายว่าอย่างไงครับมีสมหมยว่าอย่างรมรณสการรับฟังอยู่ที่ไหนครับท่านครับ อ๋อปัดกินครับก็ราะต่ำมาไปครับโอ้โหครับท่านครับเราฟังชัดเจนนะครับท่านครับชัดเจนครับครับผมนักสการท่านเราฟังทางวิทยุนะครับตามนักสการ์ครับท่านครับ เป็นวิธีการนะท่านคือเขาคิดในลักษณะเชื่อมโยงคล้ายๆกับสายาย่าลากเป็นพื้นที่ทั้งหมดเดียวกันๆกันลากใช่ไหมมันมันมีลูกตรงกลางอยู่แล้วก็ลาก ก, าก 1, 2, 3, 4, ันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไปค่าดตรงกลากงลากเส้นดูดีหางลากเส้นด้วยลเส้นดูมันจะโยงคล้ายๆกับพลังเนี่ยคล้ายๆขับพลังอเนี้ยแต่ทำไมพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเสมาที่ไม่มีความบกพร่องนะเป็นวิธีคิดอ่ะเป็นวิธีคิดนะครับ ก็เลยเคยเลยาก็มีลูกที่ก้าไว้ลูกตรงกลางครับแล้วที่บอกว่าทาบุญฝั่งลูกนิมิตนี่ก็จะได้บุญมากมายมหาศาลเลยทุกลูกที่เท่ากันเลยทุกคนก็ใช่กัลูกลูกไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้กันระลผมคือคือบางทีในเราอธิบายอะไรจน อามายังมองอ่านหนังสือแล้วเราก็อึดอัดว่าเราพูนยุจริตมากกว่านั้นคือหมายความว่าร้านขายหนังสือขายพวกหลนเนี้ยเครื่อขายเครื่องสังฆพันฑ์เนี่ยไปจ้างพวกมาไปรเรียนให้เรียบเรียงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแต่เราไปอ่านบางทีมันก็เบิกมากไปหน่อย <c oughs> <c oughs> คือพูดธรรมดาไมโกหกอีกสิ <c oughs> เอาเอาเฉพาะธรรมดาธรรมดามัน อ, องค์ประกอบของบุญเนี่ยมันเยอะมันไม่ใช่ว่านิ่งๆไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเดียวมันองค์ประกอบมันเยอะ <c oughs> ครับ ค, ค, คือเรื่องกรรมเรื่องอะไรก็เหมือนกันองค์ประกอบมันเยอะ <c oughs> อ่ะคือเราจะพูดออกมาประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้คร <c oughs> ับขอบคุณคุณยายกับสายทสิบสี่ครับสวัสดีครับขอต้ีครับสเลยครับขอต้อนรับนะครับครับเชิญเลยครับอ้านรุ๊ อาเจาต่ตอาดิตาีตัวตีชื่อะลุกอะไรครับเอาองทางวิทยุนะครับนะเอุกคนตระับครับอ๋อฟั ง, งตันะสรครับได้ครับได้ครับสง์ครับคือรสงฆครับคือถ้าพูดถึงนับอายุเนี่ยเขาไม่ได้สแสดงมาชัดเจนแต่ถ้าเราเรียงตามระดับลึกเนี่ยฮะก็ได้แสดงมาสันชีพนรกก็ตื้นที่สุดตื้นที่สุดแสดงอายุก็สันที่สุดลึกที่สุดก็คืออเวจีมานานที่สุดท่านทุกคนจะบอกสันชีพนี่ตื้นที่สุดชับและอเวจีนี่ลึกสุดชับผม สกิดมีอายุประมาณเท่าไรครับอายุประมาณเท่าไรเขาไม่บอกไว้ล่ะฮะมันไหไม่ไหวอะฮะคือคืออย่าคือคืออย่าไปคิดนับเรื่องกับเรื่องการเลยมันมันมันเอาแคจริงๆเรากรารตุเราครับคเต๋ครับครับเจ้าคุณจาบอกว่าอย่าอย่าคิดเป็นนับเลยครับเรื่องกับเรื่องการแต่ไรพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าเอาเวจีนลึกสุดเลยครับผมอ๋อครับผมตาที่สครับครับผมเจ่นะครับอชุดนั่งของชุดขโมยของมาในตู้ลัอกมี ถ้ารู้ว่าของเขา ข, ขโมยมานี่มันจะเรื่องผิดหรืออะไรมันจะผิดหรือไม่อย่างไงครับอ๋อพูดรับรับของโจรใช่ไหมครับรู้รรว่าเป็นของโจรจะผิดหรือไม่ใช่ไหมครับครับครับโจรขโมยมาเนี่ยครับเัี๋ยวฟังนะครับท่จนผครับอันนี้มันก็เลยฉายาจุลกรรมนะเป็นฉายาจุลกรรมนะครับก็เป็นอาทินอาทาน่ะฮะเป็นอาทินอาทานะครับผมถ้านผู้ชจะบอกเป็นอาทินาทานครับผม ว่าคูณรับมีเปลี่ยนได้วยครือเปล่เป็นเสร็จผดแน่นอนครับที่กระจายบอกผิดแน่นอนครับเป็นเป็นเป็นรับของโจรไงคูณมันก็ผิดกฎหมายด้วยครับผมทุกเรื่องถ่าเป็นพระน่ะจะโจรให้ถวายพระนี่โจรพระไม่ได้ฮะพระไม่ได้เลยพระพระเป็นพันธไทยอย่างน้อยต้องคืนเขาอ่ะครับพอเราไม่ได้เจตนารู้เราไม่ต้องคืนได้ใช่ไงครับครับต้องคืนครับต้องคืนนะคือคือคือถ้ารู้รับไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็ถือเป็นาครับคือคืนไป อันนี้ต้องระมัดระวังเองของนีก็ถวายนี่ครับผมก็แฟนรายการจากสงขานะครับพอดีใช้ความพยายามมากเลยฟังจากโทรศัพท์ครับผมครับผม02241สองสสี่หนึ่งสอสหนึ่งหครับสายทีสิบห้าครับสวัสดีครับ นรักษการพระเดชทุกุลหลวงพอขอทราบข่าวสารสำมานเรนสำานังกรชาวศรีลังกาเพอเข้านะครับนรักษการครับค่ะวันรักษการครับท่านครับสำมานเรนสำมานังกรเนี่ยตอนนั้นมันศาสนามันเสื่อมท่านเสื่อมไปใจจนเหลือว่ามีสํานเรนองค์เดียวทีนี้อาการที่มีสํานเรนอยู่งเดียวว่าครูบาอาจารย์ที่อะไรเนี่ยมันมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าท่านเหลือดเดยอยู่องเดียวอายุตั้งห้สิบเอ็ดแล้วมั้งโอ้โหครับ ตอนพระอุบาลีท่านไปเนี่ยอายุท่านตั้งห้าสิเอ็แล้วเพราะงั้นก็เป็นเป็นเป็นเนน่ะคือไม่ได้ไม่ได้บรรพชาไม่ไม่ได้อุปสมบทเพราะไม่มีพระให้อุปสมบทบท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านใครเป็นครูบาอาจารย์เพราะท่านมาบวชกับพระอุบาล<อ>นะีแต่ว่าสรุปว่าตอนนั้นาศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยมันเสื่อม มัในในในลังกาเนี่ยมันเสื่อมลงไปจนเหลือสํำเน็จอยู่องเดียวครับแล้วก็เขาก็มาขอพระจากประเทศไทยสมัยพระเจ้าอยู่หวบรมโกศนะฮะเราก็ส่งไปส่งพระอุบาลีครับพระกับพระอริยมุนีไปก็ทั้งหมดก็สิบประรุแล้วก็ไปปดิสถานพระพุทธศาสนาก็สืบต่อกันมาเป็นนิกายสยามมวงวงในเวลาเนี้ย แต่ในขณะเดียวกันก็มีพวกอื่นขอไปจากรามันนะแล้วก็พวกหนึ่งก็ไปบวชที่กัลยาณีสีมาเลยก็กลายเป็นสามพวกในลังกาจุดแรกครับผมประวัติมีนิดเดียวเท่านั้นนะฮะคือเป็นเป็นสามเณรนั้นเองครับเพราะว่านึกดูว่าคนเป็นสามเณรมาก็แสดงอายุทั้งสี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมรับท้งสี่สิบกว่านะครับผมขอบคุณเจ้าหนุ่ยคขัสายที่สิบหกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมมตาตรการพระคุณเจ้าครับผนอยากให้พระคุณเจ้าเล่าเรื่องพระวังศีรษะสะกักเล็กนอยดีครั บ, บพระวังศีษะเทระนะครับครับผมมตาตรการครับครับผมสวัสดีครับพระวังศีรษ ะ, ะเป็นบุตรพราหมนะฮะและก็แตกฉานในเวทมนตประเภทที่สามารถเคาะศีรษะศพเนี่ยแล้วก็รู้ว่าคนเนี้ตายไปเกิดที่ไหนอ๋อฮะก็ทําให้ท่านเป็นพวกพวกพราหม์ก็เอาท่านไปหากินนะฮะครับ อากินก็ไปถึงสำนักที่พระเจดวันไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าคนไม่สนใจท่านน่ะคนก็ไปสนใจฟาพระพุทธเจ้าหรือทั้ง ข, ขอไปด้วยพระพุทธเจ้าก็เอาศีสากคนมาให้เคาะดูแล้วก็ปรากฏว่าถูกต้องหมดสีสีรษะพอมา ถ, ถึงศีสากฟาอราหารันปรากฏวาสนาไม่เจ อ, เจอ <laughs> รู้ไปเกิดที่ไหนแล้วก็ต้องการจะรู้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นพุทธมนต์คื อ, อต้อง ต้องบวชครับต้องบวชบวชแล้วก็สาธยายตรงเนี้นะสาธยายตรง น, ยยรงนี้ตอนแรกๆมันเด็กยังหนุ่มหน่อยยังเด็กหนุ่มเราไปไปเกิดชอบผู้หญิงอะไรแต่ไรกนมาเที่ยวบินธบาตแก้ปัญหาแก้เกมเรื่องเหล่านี้กันอยู่นานบอสมควรนะฮะแล้วจนในที่สุดท่านเอาชานะจิตใ จ, จท่านได้แล้วก็บเป็นเพียงบรลุมพะผลเป็นพ ร, ระหานเป็นคนที่แตกฉานในสันทลักษณ์หมายความเวลาพระพุทธเจ้าเทศมาเป็น เป็นร้อยแก้วธรรมดาเนี่ยนะท่านจะไล่เป็นปร้อยกลองมาเลย เ, ยเก่งมากไหวพิบ ป, ปฏิพานเลิอในทางปฏิาาพานหลวงพิมิสครับก็ท่านแสดงว่าเราเห็นว่าเวลานั้นน่ยมันมีมันมีศาสตร์ระดับหนึ่งที่สามารถเคาะศีรษะมนุษย์แล้วก็รู้ว่าตายไปเกิดที่ไหนได้ครับแล้วก็มีศาสตร์รูปภาษาสัตว์อย่างที่พระเจ้าพิมิสารเนี่ยรูปภาษาสัตว์สัตว์เสียงเสียงมนุษย์เสียงสัตว์เนี่ยท่านจะรู้เลยเป็นเสียงอะไรเขาพูดออ คนนี้จะเป็นเศรษฐีอะไรแตไรเนี่ยแม้แต่ว่ากุลีกรรมกรในท่านบอกอันนี้เศรษฐีเนี่ยครับโลเลยก็ <c oughs> ใช่ฮะคื อ, อคือวิชาความรู้สมัยนั้นมันมันสแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเตือนวิทยาการในก้าวหน้าเยอะเลยครับครับก็คุณเจ้ากุญแจขับสายที่สิบเจ็ดครั บ, ส, รบสวัสดีครับขอถามเล่าประการค่ะฉันเป็นไม่คือนะคะแบบว่าลูกอีกคนเนึ่งส่งให้ใช้แล้วลูกอีกคนหนึ่งจนไม่มีเนี่ย ไม่ขีใครยและก็แบ่งให้ลูกที่จน ม, มั่งนี่จะบาปไหมคะไม่หรอกไม่หรอกและชีฟังอยู่ที่จังหวัดไหนครับนครสวรรค์นครสวรรค์ชัดเจนนะครับครับรับฟังทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณ ค, ครับ ค, คือทรัพาบหลอกนั้นลูกเขาให้เป็นส่วนตัวเราแล้วนะเราจะเอาไปสงเคราะห์ใครเราจะเอาไปให้ใครเอาไปทําบุญก็เป็นอัตฉิยาศัยของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกแล้วก็ไม่บาปอะไรนะฮะเป็นการสงเคราะห์ลูกนะครับ เป็นเป็นการทําหน้าที่ของแม่ที่ทำไปการแสดงว่าคนนู้นก็ทําหน้าที่ของลูกโยงก็ทําหน้าที่ของแม่ก็ดีแล้วเนี่ยฮะบรรลุธรรมะครับแต่ครับกล่าบรรลุธรรมะด้วยนะครับสายที่สิบแปดครับสวัสดีครับเออสวัโหลครับอย่ามาสอบถามน้จัดการท่านเจ้าคุณนะครับครับผมรบกวนพูดจัดดังนิดนึงนะครับครอย่ามาสอบถามว่าพอดีเพื่อนเนี่ย เขาขโมยเงินของอาเนี่ยไปลงทุนให้แม่เนี่ยอยากทราบว่าเป่าเปล่าครับ <c oughs> อยากทราบว่าวิธีนี้กระตันยูดได้บุญหรือครับ <c oughs> ขโมยเงินของอาไปลงทุนเพื่อให้แม่ได้ตัง ครับจะบาปหรือไม่แล้วก็จะได้บุญหรือไม่ใช่ไหมครับฟัรังครับน่าสนใจครับแล้วฟังรี้นะครับครับผมคือต้องแยกประเด็นไม้ออกกันนะฮะหมายหมายความมันตอนขโมยในผิดศีลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตผิดศีลข้ออธินาฐานผิดศีลแต่นี้การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็เป็นความดีนะฮะแต่ว่ามันอย่าลืมว่าการอธินาฐานเนี่ยเป็นบาปเป็นบาปประเภทที่เรียกว่า นองเหนียวไปสู่นรกนะคือหมายความว่าพวกกุ อ, ก, อกุศลก็บททั้งสิบเนี่ยมันมันเป็นเหตุแห่งนรกออธินาฐานมาอยู่ตรงนั้นด้วยคเพรา ะ, ะนั้นเราจะอ้างว่ากาตัญยูกาตเวทีโดยไปลักขโมยมาให่พ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มบาปอะ่ะพ่อแม่เองก็ต้องได้รับบาปไปด้วยเพราะของนั้นมาเป็นของที่ ท, ที่ไม่ถูกต้องครับก็กลายเป็นมิจฉาชีพไปครับนะพ่อแม่อาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่า ของได้มาในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะอ้างอย่างนั้นเนาะครับคื อ, ค, อคือไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะไรอ้างกะตันยูแต่ไปรักขะบยมาเนี่ยอันนี้ก็อ้างกันบ่อยนะฮะครับขอบแทนบุญคุณผู้มีคุณที่ไปฆ่าก็ตายกันก่อนตองใช่ครับอ่อ้างอ้างว่าทดพรแทนผู้มีบุญคุณครับนี่ก็คิดผิดนะครับคือคือเราจะเห็นว่าทุกลำดับขั้นตอนของคนกะตันยูแปลว่ารู้อ่ะ ครับคือปัญญารู้เหตุรู้ผลเนี่ยรู้เอียรู้หมก็รู้มันทั้งกระบวนการรู้อุปการคุณของท่านรู้ไอ้ น, นี่ถูกกันนี่ผิดไอ้ น, นี่ดี น, นี้ชั่วมันมันมันเป็นปัญญานะฮะพวกไงว่ากตัญญูก็คือปัญญานั่นเองครับอรย์ครับผมจัดแฟนนะครับพอดีแฟนรายการถามมาผมก็เลยมาโทรสามรามาว่าเจ้าคุณเจ้าครับพอดีออฟังข่าวไปรายการบอกว่าพระ ที่หลวงพ่อไปยอมพอดีโดนหลอกครับที่เรื่องที่นีนแล้วปรากฏว่าท่านจะปิดวัดหนีไปอะไรไปเป็นญาติโยมถามว่าเอ๊นทำไมท่านใจน้อยจังคือคือมาว่าก็อ่อนแอไปหน่อยนะแล้วโวยวายมากไปหน่อยแต่ว่ามันมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะฮะแกแกจะได้เงินมากกว่าสิล้านนะวิธีการก็เีว่าวิธีการแผงเจ็บตัวคือเขาไม่พูดกันหรอกครับ ไม่พูดแสดงวความาคาดว่าร้ายอะไรแต่รทจะทำเป็นนิติการมันคือเราเป็นพระนี่ยังไงมันมันต้องเอกลักษณ์ของความเป็นพระเนี่ยสมณะต้องไม่เป็นข้าสึกกับใครอะ่ะครับ เขาเขาทำชั่วไปเรื่องของเขาอ่ะครับผมมันเชื่อไปเรื่องของเขาครับทีนี้เราก็เออมันก็ผิดเป็นถูกต้นเอากฎหมายก็ทนายไปดําเนินการไม่ใช่เราออกโรงเองครับอ่าแต่พยอมใครก็พูดก็ไม่ได้แล้วเขามันเจ้ายุทธจักรไปแล้วปล่อยเข้าไปคขอบคุณเชิญด้วยใจครับสายที่สิบเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าผมขอถามหน่อยครับว่าเอ่อ ที่ในสิทอุปสมบที่มีสิทข้อหนึ่งที่ว่านัจชีตววิการวิสุกรัสนานะครับครับผมเออคือว่ามีผมสงสัยอยู่ว่าสิทธข้อเนี้ยพระวูเธเจ้าท่านให้ในการเ อ, อ่อรื่นลมการฟังดนตรีอะไรนะต่างๆนนาแต่ในชาดกในวุตสนานั้นในเรื่องเ อ, อพญายาอเอเ อ, อะไรนะเอรกกระปดเนี้นครับผมพระพุธเธเจ้าท่านให มโนอุตระเนี่ยครับไปแก้กนเพลงของพญานะเอร์กับเอรัสปัตเนี่ยครับใีท่านหึงอนุญาตให้ทําได้ครับมีข้อใดอยู่ตรงนี้นะครับเพลงนะครับครับผมแล้ฟังทางพยืทนะครับเออครับผมได้ครับขอบคุณครับคือประเด็นที่คุณต้องเข้าใจนะฮะคือคือก็เรียกว่าเออเป็นเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเพลงขับที่เขาพูดเนี่ยหมายความว่าพวกกระตุ้นราฆาโลพาทุสสะโมหะ แต่ว่าไอ้เพลงขับก็บทสวดทั้งหลายมันก็เพลงอไงเสียวกันาจบารลานางเนี่ยคุณลองขับเป็นเพลงดูเพลงนั้นนั้นเลครับเป็นเพลงตอนนั้นของเราเป็นเป็นเป็นเป็นบทสวดทั้งหลายครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเพราะงั้นคาถาที่อุตตรมาโนไปว่าเนี่ยมันมันเป็นเป็นเป็นเพลงขับที่กล่าวถึงธรรมะ เพราะงั้นพุทธูทานทั้งหลายเจรัคาถาเทรีค า, าถาเพลงนั้นนะฮะเป็นเพลงตานั้นแต่ว่าเป็นการกล่าวถึงธรรมะ เ, เพราะในบทห้ามเราต้องเข้าใจคล้ายๆกับสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยคือสำรวมในกรณีที่สัมผัสแล้วเกิดกิเลสไม่ใช่ว่าสำรวมทุกเรื่องถ้าสำรวมแล้วเห็นแล้วเกิดศรัทธาภาษาธาได้ยินแล้วเกิดศรัทธาภาสาธาดูไปเลยฟังไปเลยใส่ใจไปเลยครับ อย่างนี้มันมันศีลเนี่ยเขาก็พูดเท่านั้นแหละเวลาอธิบายจะอธิบายในรายละเอียดรายละเอียดว่าเน้นไปที่ตัวกระตุ้นราคาบันเทิงเรืองรมทั้งหลายนะพวกนี้พวกบันเทิงเรืองรมทั้งหลายนะแล้วก็ อยู่นิ่งๆพอไปดูเขาเกิดราคะเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดโกรธอ่อนไหวไปตามเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเพลงธรรมะเนี่ยเพลงบทสวดธรรมะทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันซึ้งงบอ่ะครับอืยังเพลงอะไรที่ตอนในหลวงเสด็จออกที่นิบาศะหมาสนิบาศะเพลงนิทานอ่ะโอ้โหของยิ่งเจ้ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมฝันครับขอบคุณครับทุกท่าครับสายต่อไปนะครับสายที่ยี่สิบครับสวัสดีครับ ผมอยากจะถามว่าทุกวันนี้ผมส่วดมนต์นะครับเรทีนี้แบบว่าวงวันมันทําทําไปแล้วรู้สึกเกิดความท้อท้อถอยเนี้ยก็ดต้ไม่เกิดศรัทธาเนี่จะจะให้ผู้เด็ดทุกคนได้เแก้ปัญหาให้เขาควรจะทําจิตยังไงครับเึื่อเพ่อจะให้มันมีความความตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาแล้วก็ตั้งมันมันสวดทุกวันได้ครับอ๋อครับเกิดความท้อถอยนะครับครับรับฟังทางวิชิวนะครับ ครับคือสแสดงว่าไปให้ความสำคัญแก่เรื่องอื่นคือคนเราเนี่ยนะเรามาสู่โลกนี้ดยกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้ดยกรรมของเราเราจากโลกนี้ไปดยกรรมของเราเราทำดีเราก็ได้ดีไปเราทำชั่วเราก็ได้ชั่วไปคนอื่นทำดีก็ได้ดีไปคนอื่นทำชั่วก็ได้ชั่วไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะเพราะงั้นที่ท่อถอยนี่สแสดงว่าไดกข่าวข่าวอะไรต่ออะไรต่างๆ อ่แล้วก็ทํำมาเราเกิดท้อถอยเรารับผิดชอบในกรรมของเราด้วยตัวของเราเองเท่านั้นอื่นถ้เท่าตอนั้นเองคนอื่นไม่เกี่ยวเลยเลยนะแล้วคุณจะไม่ท้อถอยหรอกครับซํานึกว่าเรารับผิดชอบเองนะตอนเนี้ยเราทําดีเราก็ดีเองเราทําชั่วเราก็ชั่วเองคนอื่นทําชั่วเขาก็ชั่วของเขาเราไม่จําเป็นจะต้องขอโดยสารก็ทําชั่วด้วยหรือคนอื่นทําดีเราก็ทําดีตามเขาได้แต่ถ้าเขาทาชั่วอย่าไปทําชั่วตามเขาครับ อันเนี้ยเวลานี้ที่มีปัญหาเนี่ยคือว่าอาศัยความชั่วของคนอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วครับอาศัยความชั่วคนอื่นเป็นเครื่องมือในการหยุดทําความดีตัวเองเรื่องอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกันลราคนนั้นเราไม่รู้จักเลยทาไปครับทําไมมาอิทธิพลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราได้ครับจากคนทําดีเป็นการหยุดทําดีหรือว่าจากคนทําดีเป็นคนทําชั่วเนี่ยแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเราครับเรานัดกันมาเกิดหรือก็เปล่า แม้แต่สามีพัญญาต่างคนๆๆต่างก็ไปต่างคนต่างก็มาเจอกันชู่วคราวแต่นั่นเองคือแสดงวันที่ท้อถอยเนี่ยคราวๆนี่แหละครรมถามมันเขาท้อถอยครับออมันต้องเชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นในกฎของกรรมรจะไม่ท้อถอยหรอกครับขอบคุณครับ02241331งานครับสอบถามปัญหาจะมาเข้ามาได้ครับท่านคุณอาจารย์ครับแฟนรายการหลายท่านเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านคุณอาจารย์ในการก่อสร้างศูนย์สงเสริมศาสนาเลยนะครับถามว่า ป ร, ประสงค์สำคัญนะครับอยากให้ย้ำบ่อยๆเลยนะครับว่าการสร้าง ส, ส, สริมศาสนาจ้่พุอาจารย์มีประเด็นยังไงบ้างครับในือประสครับคือประเด็นจริงๆมันสืบสานพระพุทธปณิธานครับหนึ่งคือให้การศึกษาแล้วกระนำพาในการปฏิบตัติแล้วก็เมื่อคนได้สัมผัสผลแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปนะแล้วก็มีศาสนาภัยเกิดขึ้นแก่ศาสนาเราก็ ปกป้องพระศาสนาโดยวิธีการต่างๆนะฮะที่ที่ที่ยุติด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าลากปไปคืนโดยรบกับเขาหรอกเร่หมายความเราก็พยายามชี้แจงอธิบายให้เกิดความเข้าใจนะเช่นเช่นเช่นปัญหาเนี่ปัญหาไอ้พราดจะบัญยายนอะไรปลอมเอกส า, ารของคนมาเนะี่ยเราก็ต้ชี้แจงต้องกระจาก็ใชชี้แจงเราก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจครับโดยไม่ได้มุ่งร้ายใครมุ่งปกป้องพระศาสนาครับ ก็เป็นภารกิจที่สืบสารพระพุทธมนิธานของพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งไว้ก่อนที่จะแสดงบทสมเทศาสนาเราก็มาสืบสารตัวเนี้ยศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาห้าอย่างพูดง่ายฟังง่าย ครับที่วุณจะครับสถานที่ตั้งบ่อนช้งได้ไหมครับตรงไหนครับแฟรรายการอยู่ใกล้วัดลานนาบุญวัดลานสํานักงานกลางที่เราจะตั้งครั้งแรกนะอยู่ครับอยู่ใกล้วัดลานนาบุญก็เป็นที่เช่าสํานักทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์ครับก็ตอนนี้ก็ยังรอแบบที่พร้อมจะทํานะฮะคือทุนเนี่ยจะจระคุณสมเด็จวระปากน้ําสนับสนุนช่วงหนึ่ง นะจะท่านจะสร้ำสดุนอะไร ย, ยังยั ง, ย, งยังไม่ตโตลงรายละเอียด <c oughs> เพราะว่าแบบมันยังไม่เสร็จครับถ้าเด็กเซรีออกว่าโรอดลครับ วางรอคอยพลเอกเสรีเรื่องเรื่องแบบเนี่ยครับผมครับท่านก็ยังไงครับแในรายการครับเป็นกําลังใจนะครับถ้านพลเอกเสรีวางโมเดลนะครับแล้วก็ออกแบบให้เลยนะครับสวยงามมากเลยครับตึกนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่สําคัญอย่างหนึ่งทางพุทธศาสนานะครับที่ช่วยส่งเสริมและเป็นกําลังใจกับชาวพุทธนะครับในการปฏิบัติงานต่างๆสำหมิพุทธศาสนานะครับสาที่ยี่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับ ฮัลโหสวัสดีค่ะครับผมพอดีเพิ่งเปิดหมุนรายการมาตอเลยดีก็เลยอยากจะเรียนถามหลวมพ่อค่ะครับ ค, คือแบบว่าคนข้างบ้านอ่ะเจจะเป็นเป็นคนมีอายุแล้วค่ะอายุครบเจ็ดสิบแล้วที่เจ๊เเนบ่นอยู่เรื่อยเลยว่าพระลูกชายเจเนี่ยบวดมาพันชาฝ่าแล้วแล้วก็แบบว่า เอาเงินส่งให้แม่กินทุกเดือนทุกเดือนแบบเนี้เจ Man so ๊ก yeah, ็มีความว่าไม่สบายใจก็ลูกชายบอกไม่เป็นลายพระท่านบอกไม่เป็นลายเจบอกเจ็บตัวบาปอะค่ะอ๋อครับอาจจะจะผิดหรือโถก็เรียนหลวงพ่อนี้ไหมคะได้ครับฟังทางวิทยุอะค่ะยังไงรับฟังรายการนี้ประจําเลยนะครับฮัลโหลเพิ่งจะเพิ่งเจอเมื่อกี้อะยังไงก็แฟนรายการกันตลอดเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผม Uh, เรื่องพ่อแม่เป็นพุทธานุญาตพิเศษโยมรพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เส้นพระเดินบินบินทบาทมาตัวเองยังไม่ได้ฉันเนี่ยเอาให้พ่อแม่กอดได้ได้ครับคือเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนกับเลี้ยงพระอรหรันต์ครับคือคือสําหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยทาหน้าที่ได้หมดทุกอย่งางเพราะงั้นการส่งเสียให้พ่อแม่เนี่ยเป็นความถูกต้องแนะพระนั่งก็แสดงเป็นลูกกตัญญูมากนะฮะครับ ก็เป็นของเขาถวายเป็นการสวนตัวท่านแล้วท่านก็เอามาบูชาพระอาหารของท่านก็ถูกต้องนะก็ททำให้เกิดบุญบุญเพิ่มขึ้นแกโยมที่บริจาคบอกบอกพ่อพระพระด้วยนะไม่ต้องวิตกกังวลหรอกการกระทำนี้ถูกต้องแล้วเป็นพุทธานุญาตพิเศษถ้ามาพ่อแม่ แมนะแต่บินธบาติเขาเรียกว่าคือพระเนี่ยบินธบาตมาเนี่ยเอาให้คนอื่นก่อนไม่ได้ถ้าตัวยังไม่ได้ฉันแต่กับพ่อแม่เนี่ยยกเว้นเลยเอาไปให้พ่อแม่กินก่อนแล้วตัวเองอยบินใามชนะ่นะฮะมี่เป็นผู้ธานอนุญาตพิเศ ษ, ษเลยรพระพระพุทธบิดาทรงประชวรพูะเจ้าไปดูแลเองเลยนะเฝ้าเองเลย เป็นเป็นตัวอย่างให้มีพระราหุลพระอนนท์อะไรต่ออไปพร้อมไปพร้อมชุดไปลูกหลานไปเต็มเลยครับผมไปนั่งเฝ้าครับแล้าครับขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสาสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับทีุู่้จก็มียังพอมีเวลาอยู่ครับที่ควรจะครับแฟนรายการอยากจะทราบประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ปังกรน่อยนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับพระ พระพุทธเจ้าปัจจิบันยังไงบ้างครับช่พระพุจ้ครับอ๋อคือพระพุทธทีปังกรบันนั่นมือคือย้อนต้นไปก็ประมาณทักยี่สิบห้ายี่บกนะฮะประมาณยี่ส้ายี่ปกองค์วเปนยี่สิบปดองค์ท่านตนหังกาโรมหาวีโรเ ม, มทังกโรมาสุสันังกโรกายโตอ่อองชีทัลล่ะ องององที่<อ>สามใน28่สิทนับย้อนจากพระพุทธเจ้าขึ้นไปเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นองค์ที่สามในองค์ที่28องค์ที่สามจากจากยี่สดนะครับครับผมเรียงเรียงลงมาก็ก็ ค, ความเป็นมาก็แบบพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายโครงสร้างของชีวิตเนี่ยจะคล้ายคลึงกันครับยิง่งแต่ว่าเป็นพราหมณหรือเป็นกระสับท่านั้นเองอการบําเพ็ญบารมีอะไรต่างก็แนบเดียวกันนะฮะเร่อายุจะต่างกัน ยุทศาสนาจะต่างกันการบัญญัติพระวินัยหรือไม่บัญญัติพระวินัยนี้จะต่างกันครับผมเห็นบอกว่าพระเจ้าปัจจุบันนี้ตอนนั้นเป็นพามนะครับที่ที่ให้พระเจ้ามันก่อนเหยียบเะไก็ใช่ฮะตอนนั้นเป็นสุเมศสุเมศธนบดสุเมตดาบดครับผม ก็ทรงพยากรนพระสุเม็ดดาบทว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสุมาณมคุณธรรมก็เกี่ยวข้องกับอย่างสาคัญตรงนั้นนะฮะคือมาความว่าพระโพธิสัตว์ก็บําเพ็ญบารมีมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอนิยตะเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นโพธิสัตว์ที่แน่นอนต่อการจะรู้แต่ต้องรอเอกเสียสงไัยก็แสนเก่าขอขอปัญหาสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับเชิญเลยครับผมครับคือก่อนบวชเนี่ยนะฮะครับผมเอ่อมีมีบทบัญญัติว่าต้องอาการครบสาสองครับผมก่อนบวชครับครับตอนนี้บองภรพบางองค์บางรูปที่เห็นเนี่ยก็ยังไงพิการนะฮะพิการแล้วมาบวชครับผมเออก็ไม่ทราบว่าที่ทำไมบวชได้หรอยังครับผมรับฟังทางยูนะครับ ครับครับขอบคุณมากครับสายสุดท้ายครับทุกคนครับคือมันจะมีอยู่สองประเด็นนะฮะประเด็นที่ห้ามบวชเด็ดขาดเนี่ยมันมีอยู่แค่แค่ที่เบ็ดพวกใร่ไหฮะแล้วพระที่พิการบางจุดบางบกพร่องไปบางสิ่งบางอย่างสำนวนบาลีท่านได้ว่าจับพระจับผูบวชเข้ามาก็ถือว่าแล้วไปแล้วครับก็จบกันเราไม่มีปัญหาอะไรครับนะแต่ว่าถ้าถ้ามีความชัดเจนมากเกินไปเนี่ยทางคณะสมฆ์ก็ไม่ควรจะให้บวชครับคือถ้าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของพระเนี่ยฮะครับคือคือคือเช่นพวกฆ้าพ่อข้าแม่ข้าผานมาอนะไรพวกเนี้ยนะก็ต้มกระเทยนี่ก็ห้ามบวชครัมบวชห้ามบวชครั บ, รบว่าบางเรื่องนี่ไม่ไม่ไม่นั้นครับผมมันก็เราก็คือคื อ, คอาศาสนาอนุเคราะห์โลกอะ่ะมันเป็นยาครับอยา่ยายงแต่ว่าพยายามกลั่นกรองกันหน่อยเท่านั้นเองครับเมื่อท่านจับพระเจ้าู่เข้ามาเนี่ย ถตานาจะใช้ความสามารถอย่างพ่อท่านคล้ายเนี่ยดนขาด้วนเนี่ยนะแต่ว่าโอ้มีบุญญาธิการบราสารเลยทำประโยชน์กัศาสนาโอ้ยิ่งใหญ่มาดังระเบิดเปียงปรงเลยทุกวันยังดังอยู่เลยขอบคุณทัาน23สบาสายนะครับที่โทรศัพท์สอบถามปัญหาเข้ามานะครับวันนี้ขอกลาบขอบคุณพระเดชพคุณพระเทพยิ่งกวัดบวนมวิหารมากเลยนะครับที่อนุเคราะห์เป็นวิกรตอบปัญหาธรรมะครับขอความเจริญกำพันธุธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิกรุง่านครับวันนี้ขอกลาบสวัสดี ครับ